ปัจจะทุกกะหนึ่งปฏิจจาระเป็นต้น 9. สภาวธ ร, รรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสิสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอาระมณ์ปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งโดยอรมณะปัจจัยย่อเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระและถึงอูปานิสยปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสังคตะทุกะเหมือนกับสับปพิยะทุกะเก้า ช น, นิทัศนทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เกิดข e, ึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสาวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยเพิงขยายให้พิสดารสิบสัพติฆาทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระสิองสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้และที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เช่อกระทบได้และที่ไม่เช่อกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่ไม่ใช่อกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่ไม่เช่อกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้และที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสิบเอ็ดรูปีทุกกะ หนึ่งปฏิจจาวรรสมาสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีกลาวาระทุกปัจใจเพิ่งขยายให้พิจารณ์บสองโลคิยะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระสิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลคิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลคิยะ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 อวิคตตปัจใจในห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสิบสามเจนฑจิตวิญยยณทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้และที่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตบังดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ และที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระจุลันตระทุกะจบสิบสี่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 อาสวะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระ 17. สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจใจเพิ่งขยายให้พิจารณาสิบอาสวะสัมยุญตตทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ 18. สภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปิจักอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่ไม่วิปยุทธ์จากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่วิปยุทธ์จากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะ และที่ไม่วิปยุจากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุจากอาสวะเกิดขึ้นมพระเหตุตุปัจจัย ส, สภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุจด้วยอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจากอาสวะเกิดขึ้นมพระเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่วิปยุจากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจากอาสวะเกิดขึ้นมพระเหตุตุปปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่ไม่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยาอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอรมณะปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์ 1ิอารวะสาสวะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ1 9สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอารจวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารวะและที่เป็นอารมณ์ของอารวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอารวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารวะและที่เป็นอารมณ์ของอารวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะมิใช่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ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 ทุกปัจจัยมีปัจใจและ9้าวาระ 18. อาจวะอาจวะสัมปยุตตะทุกกะ 1. ปฏิจจาวาระ 20. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาจวะและที่ไม่วิปยุจากอาจวะอาศัยสภาวธ ร, รรมที่เป็นอาจวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจ์อาจวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาจวะ อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตได้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปยุจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุตได้วยอาสวะและที่วิปยุจากอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุตุปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจใจและเก้าวาระ <mister> 19. อารวะ oons, วิปยุตตะสาชวะทุกละหนึ่งปฏิจจาวาระยี่สิอสภาวธรรมที่วิปยุจักอาสาวะแต่แตไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจักอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจักอาสาวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสาวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจักอาสาวะแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสาวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่วิปิยุจฉาอาสวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่วิปิยุจฉาอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะและที่วิปิยุจฉาอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมีห้าวาระ ทุกปัจจยเพึงขยายให้พิสดารอาจวะโคจกะจบยี่สิบสัญญยชนทุกกะเป็นต้นหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงภวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระห้ิประมาสทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระยีสสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัย เหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิยคตะปัจจัยมีห้าวาระเหมือนกับอาสวะโคจกะห้าสิบห้าสารมณทุ ก, กะหนึ่งปฏิจจวาระ24สสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นพระเหตุตัปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระ ละถึงอัญญมัญญะปัจใจมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจใจมีหนึ่งวาระอาเจวะณะปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมี9ก้าวาระทุกปัจใจพึงขยายให้พิสดารห้าสิบหกจิตตทุกกะหนึ่งปฏิจจาวาระยี่สิบห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปั จ, จัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม hey ่เป็นจ um. ิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระห้าสิบเจเจตสิกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยวณัปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยี่いいสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปะยุด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รกรงกับจิต อาศัยสภาวธรรมที่รัควรกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอระมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระปเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระยี่สิแปด สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจีเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่มีจีเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุรเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระอาจะยวุณหปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระยี่สิบเก้า สภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ระกคนกับจิตและไมิจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัย สภาวธรรมที่ไม so ่ใช่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีแก้ววาระ ละถึงปุเรชาตะปัจใจมีห้าวาระอาเสวนะปัจใจมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมี9้าวาระสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นภายในอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นภายนอกอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นภายในอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีกลาววาระอารมาณปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิ ป, ฏ ป, ป, ปัจจัยมีห้าวาร ะ, า ะ, าระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระอาเสวณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีกลาววาระสาสเอด สภาวธรรมที Lets, ates, esteem, ่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เทตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยวุณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสาสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาร ะ, ะ, ร ะ, าจจาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารมหันตระทุกกะจบ